เดี๋ยวนี้ผมพูดถึงพวกเตียงต่างพวกหมอนกันหน่อยนะถ่าจะพูดหนูว่าเตียงนะครับเตียงนี้จะเล็กนะครับเตียงต่างจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามโดยที่สุดมีเท้าเตียงสี่นิ้วเอาเตียงเล็กน้ามันเท้าสั้นแค่นั้นนะครับแม้ที่พวกเด็กชาวบ้านซึ่งยังเล่นในโรงฝุ่นท่าเด็กๆมันทําขึ้นนะครับเป็นเตียงน้อยสั้นๆนี่นะย่อมเป็นขรุขระเหมือนกันนะครับจำได้ไหมเวลาที่ถวายสมแล้ว นี <muitas S 2> ่ไงถ้าแม้แม้ถ้าพระราชาและราชมหาอํามตะเป็นต้นถวายเพียงคลาเดียวเท่านั้นตั้งร้อยเตียงหรือพันเตียงใช่ไหมก็ต้องามีซ้ํามาที่ก็ถวายได้เยอะนะครับเตียงที่เป็นศิลยะทั้งหมดพึงล่าำไว้ร่ำไม่ได้หมดครับถวายเป็นพันก็ร่ำทั้งหมดแหละเชิญองศ้าครั้งรับแล้วพึงแจกการลำดับผู้แก่นะนี่ไงว่าท่านจะใช้สอยโดยใช้ โดยเป็นเครื่องชั้นสองโงนะพ่อเป็นครุพันยากให้เป็นส่วนตัวบุคคลนะครับเป็นของอสนอนกฎหมายเขาว่าเวลาถ้ามันสามารถออกมาใช่ไหมถ้าต้องการก็ให้ท่านนะครับอันนี้แม้จะตั้งเตียงต่างเกินวันเรียนครังเป็นต้นและเก็บบาปจีวรก็ควรนะครับนี่นะ <c oughs> ถ้าก็ถวายในนอกสีมาทำเนี่ยเข้ามามาถวายในวัดนะครับ <c oughs> ถวายนอกสีมาเอ้าจะเอาไปวันไหนดีอ่ะ เขาบอกว่าข้าพระเจ้าถวายแก่สงพึงให้ไว้ในสถานที่อยู่ของพระสังฆาธิราพระสังฆาธิราอยู่ที่ไหนใช่ไหมก็ไปไว้ที่นั่นแหละนะครับถ้าว่าที่อยู่ของพระสังฆาธิราเาตียงมากแล้วนะเตียงก็เยอะของใช้เยอะแ้วนะครับท่านไม่ต้องการใช้เตียงสถานที่อยู่ของฟีสุดใดที่ไม่มีเตียงใช่ไหมก็ไปไหว้สาที่ของฟิสูดนะเตียงมีราคามากนะครับ อละค่ะตีราคาตั้งร้อยถึงอพันกระหาปณะนะจะแลกเตรียมอื่นโยมได้ตั้งร้อยเตรียมควรแลกเอาไว้นะครับใช้ได้นะไม่ใช่แต่เตียงอันนี้แค่นี้แคนี้ไดราจะพูดถึงอ๋อครับอนี้แค่นี้ได้แล้วที่เหมือนกันกำมาดูในกระหาหนึ่งครับต่อจากเมื่อกี้นะมาขึ้นนะครับส่วนในหมวดที่สี่ อะหมูที่เสียแล้วเมื่อดก้ก <c oughs> ี้น่ะเครื่อโลหะใช่ไหมครับภา <c oughs> ชนะน่ะหม้อโลหะอ่างโลหะกระถางโลหะกระทะโลหะใช่ไหม <c oughs> มีดคว้าถึ่งจอดสิวอะ้รพวนั้นนะครับ <c oughs> อันนี้คืนครับหม้อโลหะอ่างโลหะที่มีสันฐานเหมือนคั่งกระทะโลหะโดยที่สุดแม้จุน้ําเพียงฝายมือหนึ่ง ต่เป็นขราพันธุ์เหมือนกันขนาดกระทาเล็กๆนี่จุน้ำได้แค่ไฟมือเดียวนะครับนั่นก็เป็นข้าพันธุ์แล้วครันี่ยังหนังเขาไม่ได้เลยเคยมื่อกระทะเล็กๆครับก็เคยอยู่เทมาร์แล้วนะแล้วกระทไฟฟ้านี่รั่นนะหมดเลยถ้าเป็นโลหะคือหมดเลยพอมันเด่นงั้นก็เป็น้าพครับเป็นขุ้วพันธ์นะผมเคยมีเป็นของเกิตัว อ๋อนี่ก็มีได้เป็นอะไรครับจะมีห้างหรือข้อบางอย่างที่ว่าเป็นส่วนตัวก็ไม่ได้อันนี้ยังไม่นดห้างนะครับห้างมาแจกก็ไม่ได้มีได้ทำมีได้ครับอะไรครับอ๋อมีได้ก็ได้ครับครับมันจะมีอยพ่ขอบางอย่างนะที่ว่าเป็นส่วนตัวก็ไม่ได้ครับมีแตะต้องอดูที่ไม่ไม่ได้มีสัญชาเป็นสตาร์ุ้นนะ เขาทาเป็นพวกครร์หัวไหลธรรมดาใช่ไหมครับนะ <c oughs> ต่อไปนะครับอส่วนขวดโลหะที่ทำด้วยเหล็กขวดโลหะนึ่งผ้าออกมาไอกระบอกน้าของเราเนะ่ยที่เป็นโลหะ <c oughs> ใช่ไหมครั <c oughs> บแบบที่จีนแดงผลิตออกมา <c oughs> หรือว่าไอขวดน้านของสหารนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ไงนี่ไงญ <c oughs> <c oughs> ี่ปุ่นใี่ไหมครับญี่ปุ่นมาตรฐานหน่อยนะถ้าของจีนแดงที่ไม่ค่อยดีนะครับ แล้วก็ขวดทหารนะเห็นไม้มขวดน้ําของทหารนะครับในห้องครังก็จะมีนะของมันค่อนใหญ่นันจะหนังมากนะครับลำบากแต่ว่าจุน้ําได้เยอะนะ mm hmm. แต่นี่จุน้ําได้ได้น้อยนะครับประมาณสองแก้วนี่นะนี่ครับคัวรหะคืออย่างนี้แหละที่ทํำด้วยเหล็กนะสแสดงเลยก็สองข้ อ, อนี้นะครับ mm hmm. ทองแดงสำลิปทองเหลืองอย่างใดอย่างหนึ่งจุน้ําได้บ่าหนึ่งในเกาะสิงโหนแจกหน้าเนี่ย ก่อนอนี้ใช่มนะในใจที่บานนะครับว่าจูน้ำในบ า, านนี่แค่ไหนแค่ไหนที่ชื่อว่าบาทหนึ่งจุน้ำประมาณหย่อนห้าฝายมือนะครับสี่ฝามือครึ่ง น, นะนี่ก่อนนะที่ชื่อว่าบาทหนึ่งจุน้ำประมาณห้าธนามคดนะครับห้าธนามคดนี่ก็คือแค่ไหนนะก็เขียนว่านะครับหนึ่งธนามคดก็เท่ากับสี่ฝามือครึ่งครับ ถนา่มนามข้อละก็สี่ปลายมือครึ่งถ้าห้าถนามข้อจะได้กี่ปลายมือครับหนึ่งธนามขคอก็สี่ปลามือครึ่เยอะวานี้ฝ่าครับหนึ่งธนามข้อเน่ได้ไสี่ปลามือครึ่งนะครับอีห้านามข้อจะได้เท่าไหร่ห้าสี่ยี่สิบสองครึ่งนะครับยี่สองปลมือครึ่งนะลองดูนะครับอันนี้ก็ขวดนี่ใช่ไหม แล้วก็ตักน้ําใส่ปลายมื น, นะครับใส่เข้าไปยี่สิบสองปล์มือครึ่งนะครับเนี่ยถ้ามันพอดีใช่ไหมนะครับถ้ามันพอดีหรือว่าร้นอย่างนี้นะแปลว่าอ น, นั้นแจกได้ด น, นะครับนี่ไงมันจุน้าําได้อย่างมากแค่นี้นะอันเนี้ยจนะนนไม่ถึงมันจะเต็มก่อนใช่ไหมครั บ, บมันจะเต็มก่อนนะนอันนั้นจะอยู่ยี่สองปลามือครับก็มากกว่าสองแก้วยี่สิบสองปลายมือมากกว่า<ๆ> คุณจะเยอะนะอมอันนี้แจกได้แล้วครับเนี่ยนะแต่ถ้ามันจูน้ได้มากกว่าบาทหนึ่งนะอยู่สองฝายมือครึ่งอันนั้นไม่ได้แล้วจะเป็นขลุภันฝายมือเนยังไงคะฝายมือเราโยเนี่ยนะก็ฝายมือแหละแล้วก็ตักนะใช่ใช่ฝายมือตักไปเลยอ๋อฝายมือฝายยี่สิบสองครึ่งนะใสเข้าไป นี่นะคือูกอปาปลาปลาครับนี่ะแจกกันได้นะครับผมที่จุน้ำเกินกว่านั้นเป็นขรุพัน์เว่ามันใหญ่แล้วใช่ไมครับภาชนะโลหะที่มาในบาลีเท่านี้มีเท่านี้ก่อนครับส่วนน้ำเต้าทองกระโถนกระบวยทัพพีช้อนถาดจานชา ผอบะเตาและเท่าเท่าพีตักความเป็นต้นบางที่ก็ช้างก็บอกวขันน้ํานะนะครับไอแก้วน้ำสเตนเลส <c oughs> แจกไม่ได้ไม่ต้องแจกเลยสแตนเลสหรือว่าเซรามิกหรืออะไรไม่ได้แล้วแก้วน้ําไม่ได้อะไรนะเป็นต้นแม้ไม่ได้มาในบารีจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามทั้งหมดเป็นข้าวุปั์นะครับเนี่ยอุปรกรณ์พวกนี้ไม่ได้เลยเป็นค้าวุปันแจกกันไม่ได้นะครับ ตัวมีใช้ส่วนตัวหน้าอยู่นะแก้วนะหามันใช้ส่วนตัวได้แต่ยาของสงมาแจกแบ่งกันไม่ได้แต่พระดาเ่านี้คือบาทเหล็กไอเล็กนี่เปลียนเป็นเหล็กนะครับ <c oughs> จะ 8, 9, 9, 9, 9, 9, แบ่นะิ้วกลางนิ้วกราแสงนะแจกได้นะครับ <c oughs> บาทเหล็กนะภาชนะทองแดงเ <c oughs> นี่ยก็อยู่างได้เป็นของควรแจกกันได้ภาชนะกาวาคือสวยงาม น, นะครที่ทําด้วยสำริดหรือทองเหลือง ควรใช้สอยเป็นเครื่องใช้สอยของสงหรือแปวนีวิกันะครับผู้ทาด้วยสําฤทธหรือว่าทองหลืงนี้ใช้ไม่ได้นะสําฤทธเป็นยังไงครับครมีความเข้าใจเขาจะมาส ร, ร้างุทธลบารับสําฤทธเนี่ยเข า, าจะทักเกลือผักเกือใช่ไหมนอทดจะคล้ายทองเ อ, งอ่ว่าจะจะเงาของลูกบาศก์่นจะเงากว่าแล้วก็จะทนกว่าทองออทนทนเองอทองเหีืย ดูเก่าๆน้ำขวดมันไวกว่าทั้งนึงบาบเป็นคารุทั้กันใช่หไม่เป็นคามันเตเนี่ยเมาว่าเป็นของควรจ่ายกันได้นะครับอันนี้แทรกเข้ามานะไม่ใช่ครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่บาบเลดาชนะทองไดเนี่นแ่รกกันได้นะครับแต่เนี่ยพวกนี้นะสมฤทธิ์เนี่ยทองเหลืองนี่ไม่ได้นะครับ คนใช้เปนเครื่องใช้สอยของสองหรือเป็นขี้วิกัง น, นะคือยืมยงใช้นะครับไม่คนใช้สอยเป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัวบุคคลนี่ไงแม้เราจะหามาเป็นส่วนตัวก็ไม่ได้นะครับพวกทําด้วยสํารลีหรือว่าทองเหลืองเนี่ยไม่ได้นะครับนะต้องใช้แบบของสองหรือว่ายืมยมใช้นะครับถึงจะได้ส่วนในสิงของโลหะที่เป็นกะปิยะแม่อื่นนะครับยกเว้นพาชนะกาววางเสียนั้นเสีย กล่องยาตาครับไม้ป้ายาตาสมัยก่อนเป็นอย่างนี้นะแค่ยังไม่มียาหยอดตาเมนสมัยที่อย่างเราใช่ไหมเขามีเหมือนกันยาหยาดตารับแต่ว่าเขายังมีไอ้กล่องยาตาไม้ป้ายาตาเขาอยู่แบบนี้นครับไม้แค่หงนะครับแค่ขี้หงนะมีกล้องยานนะตกไปนะกล้องยานะไม้แค่หงเข็มนะครับเหล็กจานมีดน้อยนะครับ มีดน้อยอย่างเหล็กมากุญแจลูกดานห่วงไม้เท้าสว่านนะครับลางโลหะแผ่นโลหะแท่งโลหะและสิ่งของโลหะที่ทำค้างไว้อย่างใดอย่างหนึง่งถ้เทำยังไม่เสร็จนะทั้งหมดเป็นของควรแจกกันได้นะครับแจกกันได้นะครับถ้าจะว่าที่ทำเสร็จแล้วไม่ได้ทำค้างไว้ ไม่ได้ไม่ได้ครับอ่ะอะอันนี้เขาพูดถึงที่เหลือนะแลกสิ่งของนะครับแต่แต่พวกนั้นไม่เกี่ยวทําทค้างนะตั้งแต่กล่องยาตามมาได้นะครับได้ครับที่ทําค้างหมายถึงสิ่งของโลหะนะครับนะบตอนสุดท้ายครับ<ล>ข่าวข่าวทั้งหมดเป็นของคนแจกกันได้ส่วนกล้องยาสูงนะครับภาชนะโลหะเนี่ยมาแล้วนะ คงมีได้ใช่ไหมครับคง<ม>ตั้งคงแขวนรูปสตรีรูปบุรุษนะครับและรูปสัตว์นิรชาติตัวเมียหรือสิ่งของโหหลหะเราอื่นพึ่งติดไว้ตามฝาหรือหลังคาหรือบานประตูเป็นต้นนะครับพวกเนี้ยนะที่เราติดไว้ต า, า, ามฝาผนังนะครับรูปสตรีบุรุษคงเป็นผ้านะครับหรือว่าเป็นโลหะก็แล้วแต่นะเป็นรูปล่าง แลก็ไปติดกับข้างปวาใส่กอดใสอะไรนั่ น, นะครับอันนี้นะอะสิ่งของโลงหะทั้งปวงโดยที่สุดจนกระทั่งตะปูนะครับย่อมเป็นค้าวุ่นพั์เหมือนกันนะครับนี่นะไม่ได้หา้แม่ตะปูนะแม้ตนเองได้มานี่ไนงะก็ไม่ควรเก็บไว้ใช้อย่างเครื่งใช้ส่วนตัวคนแม้ได้เป็นของส่วนตัวนะไม่ได้ใจสองหลอกนะครับใครโยกวถวายมานะี่ยถวายตะปูให้ท่าน <c oughs> ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวบุคคลควรใช่อย่างเครื่องใช้ของส่งนะครับเคยมีโยมข้อตะปูใส่บาทพระเนี่ยตะปูอะตะปูลงศพสมัยก่อนนะครับเข้ามาทําายครัะตะปูลงศพในการมีของขําของอะไรนะครับค่ะคือเพราะว่าตามนี้ครับวกเครือใช้ไฟฟ้าแห่งแรงมันก็จะฮะ อ๋อทองแดงไม่เป็นไรทองเหลืองไม่ได้ครับแล้วทองแดงนด้ครับมันถามาแล้วทองแดงนะครับแล้วมีโลหะมี ท, like. ท mm ี hmm. also, no. ่ีเอะไรที goodness. ่มีเ่อ๋อได้ครับเนี่ยตอนแรกพูดถึงนะไอ้ลางโลหะแผ่นโลหะแทโลหะได้ครับครับได้ครับต่อไปนะครับอะไรต่อ หรือใช้เป็นขี้วิกัลแล้วก็แบบของยืมโยมใช้นะแม้ในสิ่งของดีบุกก็มีนายเหมือนกันครับเหมือนกันของดีุกก็เหมือนกับในของที่เป็นโลหะนะครับวิิจฉัยดีกันจานและขันเป็นต้นที่ทําด้วยหินออก <c oughs> พวกทาด้วยอะไรเซรามิกใช่ไหมสมัยนี้นะ <c oughs> นเช่นแก้วนะเซรามิกนี่นะครับ <c oughs> เป็นค้าวุปทานเหมือนกันนั้นนี่ไม่ได้เลยนะ <c oughs> ส่วนหม้อหรือภาชนะน้ํามันนะครับ เฉพาะที่ใหญ่เกินกว่าจุน้ํามันบาทหนึ่งขึ้นไปเท่านะั้นเป็นคลุพันธ์นะครับถ้าไม่ได้หญ่อันนี้นะเกินใช่ไหมเกินกว่าจุน้ํามันได้บาทหนึ่งแต่ว่าที่จุน้ํามันได้มาทหนึ่งพอดีวิญญาณคนนี้นะ่ะจะได้นาะแต่ถ้าใหญ่กวนี้ไม่ได้ภาชนะทองคาํานี่มาแล้วเพรว่าถั่อน้ำมากนะคุณนี้นะ่ะ น, นี่จะคีย์ว่าถูกด้วยใช่ไหมครับทองคาําเงินหน้าและแก้วผลึก แม้เป็นขี้วิกัณ น, นะครับใช้เของโยมนะก็ไม่ครัวแต่ในการใช้สอยด้วยเป็นเครื่องใช้สอยสำหรับเสนาสนะสิ่งของทุกอย่างทั้งที่ควรจับต้องทั้งที่ทไม่ควรจับต้องทั้งหมดสมควรนะครับแต่ถ้เป็นของส่วนตัวหรือว่ายืนโยมใช้นันไม่ได้นะแต่เป็นของใช้สำหรับเสนาสนะได้หมดเขาไม่เป็นไรในมีดเป็นต้นนะครับมีดที่ไม่อ่านใช้ทําการใหญ่อย่างอื่นได้ ยกเว้นการตัดตัดไม้สีฟันและการปอกอ้อยสีเป็นของผลแจกกันได้นะครับมีดน้อยใช่ไหมที่เราใช้กันนะมีดปอกผลไ ม, ม้มีอะไรนะครับมันทําอะไรได้ไม่เยอะหรอกแค่ว่าตัดไม้สีฟันหรือว่าปอกอ้อยใช่ไหมครับแจกได้เขาแจกได้เลยนะครั บ, ม, รบมีเยอะแจกได้อะไรนะครับนี่เมื่อก่อนผมว่าท่านอาจารย์ท่านไปหามีดมาแจกนะ <c oughs> มีมาแจก่านในื้ยใช้เอาไปปอกผลไม้อย่างนี้นะครับมันนีผมพลาให้มาแ่กมีมีอยู่แต่ว่าผมมาชังไปที่สลายตอนนี้เดี๋ยกุซามากุซามือเลือดกเลยไหยิเอาีบเอาหมดใช่ไมอ๋อมันไม่กัดเลยนะครับไม่กัดเลยนะครับเดี๋ยวปันตอมเลยเอาบีบคื มันไม่ใช่คําข้าวเป็นของของคนเคี้ยวเรากัดได้ก็เองได้พี่ตาดูไปเลยผมกัดมาเลยนะพวกเปลวหมาล่างไม้ของคนเคี้ยวนี่ก็กัดได้ไม่เป็นอะไรแบบว่ากัดคำข้าวนะครับเมื่อก่อนผมกัดไม่ได้นะพวกนี้น่ะกัดแล้วเลื่อนไหลติดออมาเลยนะครับน้อไก่อ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ในโพชนะห้านั้นไม่ได้อะไรครับโพชนะห้าไม่ได้เลยไม่นด้ แข็งแล้วก็เลือดหลติดเลือมาเลยขนาดฉันแอปเปิ้ลนะทั้งลูกเลยนะครับเลือดไหลติดมาเลยสมัยก่อนนัแต่นี้ไม่เป็นแล้วนะครับพอดีไปหาหมอเขาสูดถึงปูอย่างเรื่องเลยก็แคาไมคขาดฟันก็หายได้ครับนี่ไม่ไ้เล่นเท่าร Lions, <se> ่ครับเดี๋ยวาีน่าจะน่าไอป้าจิตยาเขาบอกว่าไอป่ข่า ไม่อะน่องไก่ ถ้าหมูออกผู้ชนะทั้งห้าเลยนะครับแล้วก็เลยถือกันอย่างนั้นเมื่อก่อนไม่รู้มีก็กัดหมดแหละน้องไก่น่องอะไรแต่พอมีงานสัมมนาปีนั้นไงโอ้พระสิริรัตน์ครูบาอาจารย์มีใครกัดเลยก็ับไมใครกัดเลยนะนี่ครับแล้วก็ถือตามมัตติแล้ว่าเหมือนผูชนะห้ามันเลยต้องไปดูดูดีๆนะว่าเอาอย่างไรเอาทำไมพระิริรัตน์ชั้มากท่านท่านอย่างนั้นนะครับแล้วก็บเอร์กู เนี่ยพวกที่ร้าถ้ามีเนื้อไม่ได้นะอยู่เนื้อไม่ได้ถ้าแป้งก็ที่ที่ไม่ได้ไปเอาไปทอดเป็นกิ่งก็ไม่ได้น่ครับนนี้ถ้าจะแป้งที่เอาไปอบมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะก็ลําเกี่ยเหมือนกันอ๋อกระทะของมีปัญหาก็ไปทอดแล้ว่ะนั้นเ่ที่ผมพูดใ้หมดแล้วการกลไม่าเป็นผมตก็ดีนะครับนี้ คือกลัวเยอะยอะขามนั่นเลยกลวไงขนาดแคลนมบกาวต้งมันยังไม่กล้ากัดโอ้ไม่ได้ข้าวต้งมันมันโูชนะไม่ช้าเลยนี่้านั่งอะกัดไม่ได้อยู่างมันนึเลยข้อวโพดก็ยังกัดไม่ได้นะ มันว่ามันไม่ได้กัดเขาพมพอนี้ไม่แทมนะ <c oughs> ไม่ได้ครับ <c oughs> นี่แหละ <c oughs> มันเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเตพเพราะว่าสีมเครื่องขัดเกลามันไปตามหาตามใจต้นหาทุกอย่างไม่ได้ไมันได้ขัดเกลือนะนี่ครับต่อไปครับต่อไปอันนี้มีดน้อยทํา ไ, ได้มีดที่ทําด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งใหญ่กว่านะ้ เราทำงานได้ใหญ่กว่า น, นี้ใช่ไหมเป็นคลุพันธ์แจกกันไม่ได้ครับส่วนขวานโดยที่สุดแม้เป็นขวานสนหดตัดเอ็นของผู้แพทย์ย่อมเป็นคลุพันธ์เหมือนกันนะครับแม้จะเป็นขวานเล็กตัดเอ็นนะครับมันคงไม่ใช่ขวานใหญ่เรากที่จะมาผ่านตัดลมอะไรทำไมไม่ต้องปมีมันมีแต่มีดเล็กขวานเล็กใช่มไหมนนะครับได้นะครับเป็นคลุพันใช่ี่ย เป็นครูพันธุ์เหมือนกันไม่ได้แจกกันไม่ได้เลยนะขวามัม้แต่เลขขนาดนั้นก็ไม่ได้พึ่งก็เหมือนกับขวานั่นเองนะครับส่วนพึ่งที่ทําโดยสังเกตว่าเป็นอาวุธอันนั้นเป็นอนา ม, ม่าเลยนะจับต้องไม่ได้นะครับเขาทําแบบเป็นอาวุธนันะเอาไว้ไปไปฆ่าไปทำร้ายคนรอกทิ้งไปแล้วนะใครนี <c> ่ <oughs> <c oughs> มันเป็นขวา น, นะครับ ฟางจะมีด้ามยาวๆนะเขาไว้ใช้สำหรับถากไม้ครับหรือว่าฟันไม้ก็ได้แต่หัวมันจะออกยาหน่อยนะและด้ามก็จะยาะครับครับต่อไปนะครับจอบเนี่ยหรือสิวเป็นของเข้าด้านไว้เป็นคลุพันธ์แท้นะครับแต่เด็กจอบด้านไม่กว่าไม่มีด้ามมีแต่ตัวเท่านั้น เป็นของอ่านใส่ฝักรักษาไว้ได้เป็นของคนแจกนะครับอันนี้นะมันต่างกันแค่ว่าถ้าใส่ด้าก็แจกไม่ได้ถ้าอย่างไม่ได้ใส่ได้าก็แจกได้นะอันนี้นะครับตัว่านเนี่ยคําว่าตัวสว่านนะไม่ได้เอาไปเข้าอะไรอะไรเลยเนี้ยครับตัวสว่านแค่หัวมันใช่ไหมครับนี่ตัวนันครับถ้าวา่น า, วานี้ได้นะครับว่าอันนี้ได้นะครับ พ่อสว่านะพูดถึงข้างบนเราได้นะครับ น, นี่นะพ่ออยู่ข้หัวใช่ไหมยนนั้ไม่ได้ไปใส่ด้าศใส่อะไรนะครับอนี้แต่สมัยกี้เไม่ได้ใส่ด้าศประกอบใช่ไหมเสียพ่อหัวได้าะคะได้ขนาดล่างโลหะแผนโลหะแท่งโลหะมีได้เลยหัวสว่านนิดเดียวใช่ไหมทำไมมันจะไม่ได้ <c oughs> ได้นะคะอันนี้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อนิยมแจกันนะ <c oughs> <c oughs> ถ้อกว่าไม่ได้กูมมไปต่อข้างขาไปติดตรงนั้นนะแล้วเอไม่ได้มันแปลกกันบางอย่างนะครับต่อไปนะครับแม้แหล็กแหลงก็สงเคราะห์ด้วยสิวนั่นเองนะครับคือถ้าเข้าด้ามแล้วก็แจ้งไม่ได้ถ้ายังไม่เข้าด้าก็ได้อยู่นะครับม่ได้ตัวนะไม่เป็นต้นเป็นของที่ชนเหล่าได้ถวายไว้ในวิหารเข้ามนีนมาถวายเองนะครับถ้าชนเหล่านั้นเมื่อไฟไม่เรือน หรือถูกจนร้นจึงกล่าวว่านะครับถ้ามูจเจริญจงให้เครื่องมือแก่พวกข้าพเจ้าเถอพวกข้าพเจ้าจักคืนให้อีกดังนี้ควรให้แล้วก็ให้ข้อยืมไปได้นะถ้าเขาไม่นำมาส่งทาไมนำไปส่งนามาะนะถ้าเขาไม่นำมาส่งอยากพึนห้าครับแม้เขาไม่นำมาส่งทำไม <c oughs> ถ้าเขานามาส่งนะครับ อยากพึงห้างไปห้างทําไมก็เล่าไม่ดีแล้วคือมาให้นะครับกนดีแล้นี่แม้เขาไม่นํามาส่งไม่นํามาคืนให้ก็ไม่พึงทวงคืนนะครับนี่นแปลกเหมือนกันพวกเข้าเป็นคนถวายเองนะนี่ท่านก็ไม่ได้พวถวายส่งมาถวายไว้ในวิหารนะครับแล้วไฟไหม้เรือนใช่ไหมเขาต้องใช้มีดไปตัดหาไม้หาอะไรมาสร้างเรือนคระอยู่ถึงจนพวกมาขอยืมนี่ได้นะครับ แล้วไม่ขืนให้ก็ไม่ต้องทวงคืนด้วยเครื่องมือทําด้วยโลหาทุกอย่างนะครมีทั้งทั้งตีเหล็กนะจ๊ะมันชอนบมันเป็นแท่งใช่ไหมเขาไว้ตีเหล็กนะจ๊ะแท่งเวลาเขาตีมีเราไปดูนะนะครับต้องวางมีไว้บนแท่งอรียกว่าทั้งนะครับ <c oughs> ไว้ตีเหล็กอุ้ค้อนคีมและคันช่างเป็นต้น ของช่างไม้ช่างกึงช่างสาช่างแก้วและช่างบุบบานเป็นครุพันจําเดินแกิดการที่ถวายส่งแล้วนะครับนี่หมดเลยขรุพันไม่ในเครื่องมือของช่างดีบุกนะครับช่างทองตกไปหนะ้าช่างทองนะครับช่างหนังก็มีนายเหมือนกันนะครับเหมือนกันที่แจ้ไม่ได้แต่จะมีขำ อ, อธิบายนะส่วนความแปลกกันดังนี้เครื่องมือเหล่านั้นคือ ในพวกเครื่องมือของช่างดีบุกเล่าม <Ừ. sigu S 2> ีดตัดดีบ <War> ุกในพวกเครื่องมือของช่างทองมีดตัดทองในพวกเครื่องมือของช่างหนังนะครับไม่ใช่ช่างหนังนะช่างหนังมีดเละคสำหตัดหนังที่ฟอกแล้วเป็นสิ่งที่ควรแจกนะครับอันนี้จัดกันได้นะมันคงจะไม่ใหญ่มากอุปกรณ์เหล่านี้นะครับแจกกันได้อแม้ในเครื่องมือของช่างกระระบบคือช่างตัดผมใช่ไหมแล้วก็ช่างชุนนะครับ เว้นกางไกลใหญ่แน่นใหญ่และไม่ใหญ่เสียไอ้ที่เหลือที่มันไม่ใหญ่นะควรแจกทุกอย่างนะครับนอกจากนี้เป็นคําภีรก็ไม่เห็นบอกว่าใหญ่แค่ไหนได้แค่ไหนนะนนครับเราดูกางไกลมันจะมีสองไซส์ให้มาให้เราใช้กันนะมันจะมีแบบเล็กใช่ไหมครับแล้วก็อันใหญ่ไม่รีบหลายขนาดนาก็จ้างเยเข้าไปขนาดขนาดกลางเล็กสดเอาว่าถ้าไม่ใหญ่ถ้าไม่ใหญ่ใช้ได้ท่านมเดชครับ กางๆก็ยังได้อยูนะนั้งเล็กก็ได้ครับอืนนมผมว่าเอาว่าอะไรนะนึงกันนะอันนี้มันเยอะเราจารยไม่ค่อยได้นครับต้องไปเขียนสรุปมาเรียนนั้นอ่ะอาจารย์สีลาน้อยเข้าทำมาแม้ออกมาใช่ไหมเดีย๋ยวเรื่อนทะลุพัน์รับผมว่าจะถ่ายให้ไม่ถ่ายนะพอไปดูแล้วมันดูแล้วมันไม่ค่อยนั่นไม่ค่อยเราครอบคุมกันครอบคุมอยู่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยประทับใจ ไม่ยังดูมันไม่เรียบร้อยผมรู้สึกว่าไม่เห็นบรยคือมาไม่เป็นอย่างนี้แหละคืออิสระใช่ไหมเขาไม่ทำให้เรียบร้อยผมเห็นแค่เป็นลอกเป็นลอกเป็นลอกเลยอไอเป็นกระดาษอิสรก็น่าใหญ่กว่านี้ของเขียนเรียบร้อยมันทำให้ดูง่ายนะดูสะดวกนะครับเขาเคยแจกในงานสัมมนาใช่ไหมครับบาท่านจะยังมีก็ไปดูเทียบเพียงหน้านะครับแต่ผมดูผมเออหม้อผมก็ยังทํายากอยู่นะ มันแทบจะจยากตรงที่มันมันยงไปโยงมาเยนี้นะมันไม่ได้เรียงเป็นแถวเป็นแถวถ้านเราคือเขาจะททามันเนะห้าอย่างแล้วเขแล้วเขาแตกออกไปนะเราถ้าเราสามารถให้มันเรียงกันอย่างนี้นะแต่จะเป็นช่องแต่แต่ละลอกแต่ละลอกนะให้มันเรียงกันนะมันก็จะดูน่ากว่าทำง่ายก็ไปดูเองก็รักการ์นักตานี้แต่ผมมาดูแลผมดูแลแบบละเอียดผมประทับใจมากนะมันเข้าใจไปเลยมันไม่สงสัยครับ ไมรของเาคือเอาไว้ทำมาเพื่อที่ตัวเองจะเข้าใจแล้วก็มาอธิบายออแต่ว่าจะไม่ใช่เอ า, อเาไม่ดูบข้กูไมไม่ใช่ครับเป็นส่วงตัวเองใช่ไหก็ามาอธิบายให้คนฟังสรุปส่วนตัวที่เรวงเข้าใจแล้วใช่ไหมครับใช้สมการเป็นบรรยายในการอธิบาบนี่นะแต่ถ้าเนี่ยหน้าเราก็เขียนสรุปมาผมรู้ว่าเขียนยังไงเนยเข้าใจง่างแล้วก็เขียนยเฉพาะของที่แจกหน้านมา <c oughs> ที่เหลือก็แจกไม่ได้เวลาเป็นเจ้าที่ห้องครังน่ะอะไรแจกแล้วเราก็เขียนออกมาไม่เยอะหรอกอันที่เหลือก็คือรู้ว่าแจกไม่ได้นะครับแล้ก็แบ่งงูหมวยให้ดีนะเขียนไมนแพงเลต่อไปนะครับมาต่อไปเลยวินิจฉัย ใ, ในเถาวันเป็นต้นทุนทราบดัง น, นี้อันนี้เกี่ยวกับเรื่องแหล็กนะครับก็ผ่านไปแล้วนะต่อไปเกี่ยวเรื่องเถาวันนะครับ เขาวันชนิดใดชนิดหนึ่งมีหวายเป็นต้นประมาณเพียงครึ่งแขนนะครับครึ่งแขนในนทีการอธิบายว่าตั้งแต่ข้อศอกถึงบ่านะครับนี่เียว่าครึ่งแขนในที่นี่ยนะเนี่ยแค่นี้นะครับที่เขาถวายสงนะครับก็ตาประมาณอะไรเนะี่ยประมาณครึ่งแขนครึ่งแขนนะครับนี่ยนะที่เขาถวายสงก็ตานะครับที่เกิดขึ้นในพิธีสงนั้นก็ตาม ซึ่งสงรักษาปกครองไว้นะครับเป็นครุพันธ์เนี่ยนะเป็นขลุพันธ์ไม่เอาเทาวันนี้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้ผมว่าต้องสองรักษาคุ้มครองไว้ด้วยนะนะครับ เ, เท้าวันนั้นเมื่อการงานของสองหรือการงานที่เจดีทําเสร็จแล้วถ้าเป็นของเหลือจะน้อเข้าไปในการงานส่วนตัวบุคคลบ้างก็ควรนะครับได้เนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นเท้าวันอ่ะที่มันขึ้นในว่าก็จริงในเขตสงเห็นว่านี่แหละ แต้ว่าสระสงเมมรักษาปกครองนะครับรู้สึกเหมือนก็ว่ามันเป็นว่าจะเพืชชนิดหนึ่งที่มันลอกๆอะไรเนี้ยนะไม่มาทำประโยชน์เขาไม่ได้คุ้มครองดูแลองนั้นก็ไม่ใช่คารุพันธ์นะครับใครไปทํานะไรก็ได้นะนี่กรณีประส่งคปกครองจะมาใช้ประโยชน์นะครับอื่เป็นคารุพันธ์หรือว่าที่เขาถวาสสงอฆ์นี่น ะ, ะ <c oughs> นนะแม้ขนาดเหลือใช่ไหมหลือา ก, การของส่งฆ์ดีดีแล้วนะ่ะยังมาใช้ใสิ่งตูบกลมได้ น, นะ เชือหรือพวนที่ทําเสร็จด้วยด้านปอป่าเสี้ยมมพร้าและนําก็ดีนะเชือเกลียวเดียวหรือสองเกลียวที่ฟั้นป่าและเสี้ยมมพร้าทําก็ดีซึ่งถวายแกสงแล้วเป็นครูพันนะครับอันนียไม่ได้อะไรนะเชือนี่ไม่ได้เลยนะครับอันนี้ห้องครังแจกก็ได้อย่างไงห้องครังนี้ก็หามาส่วนถ้าไม่ได้แจกหรอกอันนี้ก็หามาถวายสุนกลางจุด นะครับเชือกสีขาวนะนะครับแต่ที่เป็นสองของสองก็ไม่ได้แจเเชือข้ารคับเชื่อนี่เข้าใจอยู่นะแต่พวนนั่นมันคืออะไรพวนครับหลวพอครับเชื่อมาบาไมวนเป็ชื่อใหญ่ๆ่อ๋อเชื่อใหญ่ใช่ไหมครับเชือกใหญ่ที่อันนั้นเใช้ป่านทําใช่ไหมครับเชือกป่านใช่ไับมันจะเป็นเปลือกป่านลังป่าผมเคยเห็นต้นป่านนะแล้วก็เห็นตาเอง เขาจะเอาปานะเขามาทําเป็นเชือกป่านนะครับเขาเรียกว่าอะไรมันอะไรมันจะมีใยมันนะที่มันเนี่ยเหนียวหน่อยก็อันนั้นนะเขาจะเอาเปลือกออกใช่ไหมแล้วก็อาใหญ่ตรงนั้นเขามาทําเป็นเชือกนี่อย่างนี้อย่างนี้ผูเนี้เป็นข้าวพดันหมดนะครแจกไม่ได้เลยส่วนได้ที่เขาไม่ได้ฟันทวายนะครับมันจะเป็นเส้นเลยเส้นได้เฉย และปอปานแลเสี้ยมะพร้าวแจกกันได้นะครับ mm hmm. เขาไม่ได้ฟันเป็นเชื่ออะไรขึ้นมานะถวายเป็นอย่างนั้นเลยนะครับ mm hmm. ทั้งเป็นใ ย, ยปานใหญ่ปอใหย ป, ย า, ยปานาเลยนะเสี้ยมาเลยอย่างนี้นะอันนี้ได้อัน mm hmm. หนึ่งเชื่อกและทวนเป็นต้นเหล่านั้นเป็นของที่ชนเหล่าในถวายชนเหล่านั้นจะยืมไปด้วยกรณีกิจของตนไม่คนณของห้ามก็ได้นะครับให้ใครยืมไปใช้ได้นะ ไม้ไม้ไผ่ชนิดใดชนิดหนึ่งไอเรามาไม้ไผ่แล้วล่ะนี่นะครับอันนี้มาไม่ไผ่แล้วนะครับอ น, นี้แ <c oughs> สดงว่าถาวรมันจบแค่นี้นะมันก็กินมาถึงพวกเชือพวกอะไรนะครับอันนี้แต่ที่ใครแจกใครแจกเชือกเชือกล่มใช่ไหมที่เขามาถักอะไระครับใคยแจกกันนะค่าจะว่ามันไม่ใช่ข้าวหนุ่มพันเส้น เ, เล็กนะครับใครแจกกันมันทํามาจากอะไรนะ เช่อะไรที่เขามาถังกันนะขาวานข้าวอันนะ้นหรือมาถังตะขาบ ถ, ง ถ, งถังอะไรนะครับเคยแจกกันนะอัะนนั้นนอครับต่อไปนะครับไม้ไผ่ชนิดใดชนิดหนึ่งโดยที่สุดแม้ขนาดเท่าเหล็กจานขนาดเท่าเหล็กจานก็คือขนาดเท่านิ้วก้อยนะครับนี่ น, นะยาวแปดนิ้วที่เขาถวายส่งนะครับเนี่ยยาวแปดนิ้วนะครับก็วัดอันนะ้ นิ้วท้างมาธรรมดาไม่ใช่นิ้วประสุดข้นะแปดนิ้วประสุด ข, ขอเท่ากับเท่าไหร่ห้าสิบเซนใช่ไมห้าสิบเซนใช่ไหมครับแปดนิ้วประสุดขอได้ห้าสิบเซนใช่ไห ม, ไไหมถ้าจะไม่ผิดนะเพราะว่าหนึ่งคืบนะมันคือเจ็สิบ้าเซนใช่ไหมครับแปดนิ้วก็ได้ห้าสิบเซนนิ้วเท้าเตียงเท้าตางนะอันนี้อันนี้ธรรมดานะครับ หรือที่เกิดในช่องนิสงนั้นซึ่งสงลักษาปกครองไว้นะครับอันนี้เป็นค้าวุปพันนะครับเป็นค้าวุปพันเมื่อการงานของสงและการงานที่เจดีทําเสร็จแล้วไม้ไผ่นั้นยังเหลือนะครับจะใช้ในการงานเป็นส่วนตัวบุคคลก็ควรนกันและหน่อไม้่ะ <c oughs> ไม้ไผ่เนอะเป็นค้าวุปพันและหน่อไม้จะเป็นค้าวุปพันด้วย่ะเอาเอาให้วิญยาเป็นกริย่าง แล้วก็มาแกงหนออไม้ฉันแล้วมาแจกกันฉันเลยครับเนี่ยก็เข้าใจว่าไม่เป็นขรุพันนะครับพอไม่สามารถจะเป็นทัพวาสัมภาระนะครับในการมาทำกุฏิสนนาทําอะไรได้นะนะครับเข้จวไม่ใช่ขรุพันนะแต่เป็นหนออไม้ต่อไปนะครับต่อไปก็ในพันดะคือไม้ไผ่ของเช่นนี้คือนะครับกระบอกน้ําไม้ อ๋กรน้ำมันท่าด้วยไม้ไผ่ก็มีนะครับจูน้ำมันบาทหนึ่งใช่ไหมบาทหนึ่งบอกไปแล้วนะกี่ไฟมือเท่าบาทหนึ่งเมื่อกี้น่ะเมื่อกี้สี่ไฟมือ๋แค่ส <นะ S 1> ี่เลยก็มันได้ยี่สิบสองไฟมือครึ่งนะครับนั่นนะจูน้ำได้บาทหรือน้อยกว่านั้นแจกได้นะครับไม้เท้านี่ได้ น, นะครับคานรองเท้าคาน ท, ที่เขาไม่แบกองเท้านะคันล่มซี่ล่มนะครับเป็นของแจกกันได้ เพราะนั้นกรดเนี่ยก็แจกกันได้ไม่ต้องกลัวนะครับเนี่ยนะพวกกรดนะครับโล่มนี่ก็แจกกันได้นะครับนี่นะกดถึงจะใหญ่ไม่มีปัญหานะนะครับก็จะถ้ามเพียงพอใช่ไหมพวกชาวบ้านที่มีเรือนถูกไฟไหม้ฉวยเอาไฟไม่ควรห้ากเพราะว่าแกกำลงังลำบากแล้วให้แกยิงไปเถอะอันนี้ไม้ไผ่แค่นี้นะครับห <c> ญ <oughs> ้ามงกระต่านะครับหญ้ากล้อง และหาชิ้นดชิ้นหนึ่งสำหรับมุงหลังคาที่เหลือในประเทศไทยไม่ค่อยนิยมใช้แล้วใช่ไหมเอายญ้ามุงหลังคาแต่ถ้าในประเทศอินเดียจะมีใช้นะครับเราก็เห็นอะไรสรารคดีมหมเข้าอะไรนะครับเอาไอ้อยใช่ไหมต้นไอ้อยหรือว่าอะไรไ อ, ไ อ, ไอ้อยค่ะเอามุงหลังคาบ้านเขาใช่ไหมครับที่ดูในสรารคดีนะจะมีประเทศอินเดียเขายังใช้แบบนะั้นอยู่นะครับคือใช้หญาบ้านอ้อยบ้านอะไรบ้านนะแต่ของเราใช้กระเบื้อง เกิดเบื้องอย่ๆคานะครับแล้วก็สารสีนี่นะต่อไปนะครับแม้มีประมาณเท่ากับมือหนึ่งโอ้แค่นี้นะแม้ในใบไม้มีใบตาลเป็นต้นที่จะจัดเข้าในย่าสนหรับมุงหลังคาแม้ใบเดียวนะครับที่เข้าถวายสงหรือที่เกิดในธรณีสงนั้นนะครับหรือเป็นย่าที่เกิดแต่สวนย่าของสงภายนอกอาลา สงได้รักษาปกครองไว้ทั้งหมดจัดเป็นคลุพันธ์นะครับหญ้าที่มุงหลังคานะถ้าบอกว่าถ้าที่เราไม่มีหญ้านะเขาใช้ใบไม้เอามามุงหลังคาแม้ใบไม้นั้นก็ถือเป็นคลุพันธ์ไปด้วยนะครับพวกสมม่งใช้ประโยชน์ที่เอามามุงหลังคาใบอะไรนะคับมุงหลังคานะใบจา่บใบาใช่ไหมครับใบสับใช่ไหมใบใหญ่ๆนะครับือครับแล้วก็ใบเนี่ยมีหลายอย่างที่มง <ใบ S 1> ุม<า>งหลังคาได้ ใบตาลเดมใบมาพร้าวใช่ไหมทั้งกล้าอะไรนะที่มาพร้าวเน่ะเข้ามาทําเป็นฝาสุตรีใช่ไหมครับในวัดที่ยังไม่มีอะไรนะสร้างสุติธรรมดาครับสวยด้วยนะคือทำเป็นเสือเอาไปหมอเตียทำเป็นฝาโอทำเป็นกุ้งแฝงครับอื่นนะอย่างนี้นะครับที่เกิดทอนี้สงสงรักษาดูแลนะครับอันนี้จะเป็นข้าวโพ์ แต่ถึงมันจะเป็นหญ้าที่มุงหลังคาได้เป็นหญ้าคาแต่สงฆ์มารักษาดูแลนะไม่เอามานใช้ประโยชน์นะครับมันโลกนะครับอนั่นก็ไม่ใช่คารุพันนะโยมจะมาขอเกี่ยวไปก็อนุญาตได้นะครับถือว่าช่วยทําที่วัดให้มันมันสะอาดขึ้นมาดีขึ้นนะครับได้ทีนต่อไปนะครับอเมื่อการงานของสงฆ์การงานที่จะดีทําเสร็จแล้วแม้ญ้าหญ้าแม่นั้นยังเหลือ จะใช้ในการงานเป็นส่วนตัวบุคคลก็ควรเหมือนเดิมนะพวกชาวบ้านพกูกถูกไฟไหม้นะครับเรือนช่วยเอาไปไม่ควรห้านะครับทำไมชอบเอาของส่งเราไม่เป็นบาทท่านก็บอกว่าไม่ควรห้ามด้ยนะะครับดินเหนียวนี่อันนี้จบแล้วนะครับเกี่ยร์ยากแค่นี้นะอันนี้ถือว่าไม่ยากนะครับดินเหนียวจะเป็นดินธรรมดาหรือดินห้าสี ดินห้าสีเนี่มีหลายสีนะสีนั้นในเขาเขียนให้นะครับมีสีอะไรบ้างอะดินห้าสีนะครับก็มีสีเขียวเหลืองแดงจำมาเลยเจ้าเจเขียวเหลืองแดงขาวบานเย็นห้าสีก็มีแปลนะสมัยนี้ก็ดินน้ามันหลาสีอรับไปนะครับอันนี้นะ หรือปูนขาก็ตามทีผู้นี้เป็นขลุ่ยพันแจกกลับไม่ได้หรือบรรดายางสนและชันเป็นต้นยางนชนิดหนึ่งที่เขานำมาถวายในที่ซึ่งหาได้ยากก็ดีนะครับเนี่ยก็มาทำได้นะเอายางสนเนี่ยเข้ามายามาอะไรใช่ไหมครับที่เกิดในธรณีสงนั้นก็ดีขนาดเข้าผลตาลสุกนะครับก็ขนาดใหญ่นะนะซึ่งสงรักษาปกครองไว้เนี่ยคนี้สาคัญครับ เป็นคลุพันเมื่อการงานของสง์หรือการงานของเจดีทำเสร็จแล้วยางแม้นั้นที่เหลือจะใช้ในการงานเป็นส่วนตัวบุคคลก็ควรนะครับส่วนหินคู่รู้จักไหมครับรู้จักครับตอนหินคู่นะลราเจอแต่ในภาพวินยัยอะอะไรคนระับกินได้ไหมครับกินได้ครับเป็น ญ, ญาจะในภาพวินัยนะ่ะอะไรนะ หินคู่นะที่มันเป็นยาที่เป็นยาไงนะครับใบหญิงคู่อะไรหญิงคู่นะมันเป็นยาไม่ทางนั้นอรมณ์ครับอนาะรมณ์มีไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าใครรู้บอกเลยนะะหอระดานหอระดานกรรมฐ า, า น, นครับห <c oughs> อระดานกรรมฐ า, านนี่แหละนะมะโนศีลาถ้าบอกว่ า, าสารหนูแดงมันเป็นอย่างนั้นสารหนูแดง <c oughs> <c oughs> ใครเข้าใจว่า ายมนินาเขาอกที่บ้านว่ามันคือสารหนูแดงครับคือไทยมด้ครับครับมนุินาคือสารหนูแดครับมเียวกับนีหรือเปล่าี่ขบก่ที่ีใช้กับยาของนคล้ายหรือเปล่าครับไม่หนูเหมือนกันครับเจอเขบอมนุษย์มมนุสิลานะต้องถาม เขาไมเปิดดิกดูใครยุ่งไปเปิดดิบดูได้นะ mm hmm. ดนะเพราะฉะนั้นนุกรมราสบัณฑิตใช่ไหม uh huh. เดี๋ยวชอนเปิดให้ก็ได้ไอ้กนั่นแหละว่ามันเอาสารนุ่งแดงเพื่อไม่เข้าใจหรือว่าคำว่ามโนศีลางก็ได้นะครับมนโนศีลาอะไรก็ได้ mm hmm. และแล่ทวนเขาแลบทว ง, วง mm hmm. เป็นของควรแจกกันคุณ mm hmm. ไม่แจกได้นะครับ mm hmm. ไม่เป็นข้าวุ่นพันนะอ่า อ่าครับตรงตรงนี้นะก็แปดตกไปอยครับเทียมหน้านะเียก็แปดตกไปหน่อยนะครับเทียอ๋อข้าว่ากันอันนี้คืออะไรอ้ใบลานเปล่าครับแม้มีประมาณอะไรเนี่ยแปดองคุรีใช่ไหม ก็เป็นคลุพันเหมือนกันอันนี้นะครับอาจารย์ของต ร, งานนะร้าย เ, เหมือนกันนะใลานเปล่าอ้อหนังสือเขไม่ส่งข้อนะเดี๋ยดูตัวนี้นะคขอ้อตัวนี้ไม่ตกนี่ไงในใบใบาลานเปล่าแม้ขนาดเพียงแปดนิ้วก็เป็นคลุพันเหมือนกันมสมุดใช่ไหมหรือสมุดหนังสือที่ไม่กบอันนี้ผมว่าปลาด้วยนะถ้าไม่เปล่าเัาก็ไม่ได้เป็นคลุภันครับ <c oughs> ถ้าหนังสือ ม, มีปัญหาหนังสือไม่ปาลนะมันเขียนอะไรลงไปแล้วนะครับต <c oughs> น้สงสัยเนี่ี่สงสัยสมุนมากกว่ากระดาษปล่าปาเอซสาเอซีก <c oughs> ่กระด <c oughs> าาอันนี้ก็ไม่เอานะครับน้คถ้าก็ไม่เอากันนะครับามันก็กระดาษไม่ใช่ใบา้างคนละอย่าง ก, กันใ <c oughs> <c oughs> บล้างคือใบาล า, าบครับอย่างนี้เราแจกกันเนี่ยก็ือได้ว่าสมเพือ่ว่นที้เราไม่ได้าแข็งเ้าออก ก็ถือว่าไม่ใช่เวลานะไม่ใช่เวลาแล้วไปนะครับต่อไปนี่ถึอในน้องที่นะมวลาเปล่ามาหน้านี้นะมาหน้านี้นะครับตอนนี้จะขึ้นอะพันธนาไม้แล้วเมื่อกี้ไม้ไม้ไผ่นะอันนี้ไม้เดี๋วถ้าใช้คาว่าไม้จริงครับนม่เป็นงงนะไม้จริงคือไม้นี่แหละก็จะเพื่อต่างจากไม้ไผ่นั่นเอง วีใช้ในสิ่งของคือไม้คุณทราบดังนี้พันดไม้ชนิดนดชนิดหนึ่งนะครับแม้ขนาดเท่าเข็ ม, ม, มเข็มไม้นะครับคือขนาดเท่าเหล็กจานนะเท่านิ้วก้อยนครับยาวเท่ากับไม้ไผ่กี่นะิ้วเมื่อกี้น่ะจำไ้มั้ไม้ไผ่กี่นิ้วเมื่น่ะที่เป็นคารุพันแบกนิ้วรู้จำไ้มั้ยครับแปดนิ้วตัวนี้แปดทั้งนั้นหมดเลยนะ ไม้ไผ่ก็แปดนิ้วไม้จริงก็แปดนิ้วนะครับแต่ความยาวทั่วเป็นขรุพันนะครับแต่ความใหญ่ก็แค่เท่าเหล็กจานใช่ไหมหรือเท่านี้ก้อยนะครับอันนี้จำไว้เลยเหมือนกันนะครับไม่ใช่หนึ่งคือประตูคนแล้วนะไม่ใช่อันนี้นก็แปดนิ้วธรรมดาสร้างไม้ธรรมดานี่นะครับยาวเท่ากับไม้ไผ่ตามที่กล่าวมาแล้วเข้าถวายสงนะครับหรือเกิดในกรณีสงนั้น ซึ่งสงสารคุ้มครองนี้เป็นคารุพันนะครับ <c oughs> ประเภทไม้จริงไม้ไผ่หนังและศิลาเป็นต้นสงข้อเข้ากับด้วยพันดาไม้ที่นี้นะครับก็งานเอาสังด้วยนะมันจะมีนะครับไม้จริงไม้ไผ่หนังศิลานะครับแล้วก็งาแล้วก็สังด้วยนะคในที่นี้นะที่สงข้อเข้าในพันดางไม้นะครับ ตรงไหนพูดครบอันนี้กูม่ครบนะ <c oughs> ในของเหล่านั้นอาสนะคือที่นัา่งาทุกอย่างที่ไม่ได้จัดเข้าในเตียงอะไรต่างนะครับ <c oughs> มีอาสนที่พนักถึงเป็นต้นนะครับอาสนที่ในดีกาก็ที่บ่ายวาวเลยมันก็มีเก้าอี้สีเ่เหลี่ยมจตุรัสนะครับนั่นนะชื่อว่าอาสนที่นะครับเก้าอี้สีเ่เหลี่ยมจตุรัสนะ <c oughs> เป็นต้นนะครับกระทั่ง เป็นต่างที่ยัดด้วยผ้า น, นะครับมันต่างไม้แต่เขาไปยัดด้วยผ้าใช่ไหมฟางนะยัดฟางหรือใบไม้ก็แล้วแต่นะ่ะมันจะยัดอะไรไม่สําคัญนะแต่ตัวต่างมาทําด้วยไม้นะครับอันนี้มันคือคารุพันธแหละของเหล่านี้คือกระดาษวงกลมกระดาษยากระดาษซักจีวรนะครับกระดาษรองทุบนะครับกระดาษเขารองไม่ทุบนะครับทุบจีวรนะ ทุบจีวรด้วยไงด้วยมือนะครับเด็กคนนี้ทำไมเมื่ก่อนเองย้อมจีวเขาใช้มือทุบครับมือใช้ผ้าใช้อะไรทุบก็มีนะเขาวังว่าไอกระดานนะลางย้อมอันอันนี้กันนี่อนนี่ก่อนครับผู้งางย้อมเนี่ยอ๋อลางย้อมมีอีกที่นึงอันนี้กระดานรองทุบเฉยนะครับยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ ค้าตัณหาผาละกัง น, นะครับบอกแผนกระดารองทุบใช่ไหมสานี้ใช่ไหมจีบอค<ม>ําว่ากระดาลองทุบที่เขาแปลมาเนี่ยใช่ไหมข้าตัณหาผาละกัง น, นะครับเขาบอกว่านะครับเขาจะวางจีวอลไว้ที่นั้นนะครับเข้าวางไว้นะวางไว้ในที่หนึ่งนะครับแล้วก็ทุบจีวอที่ยอมแล้วด้นี่นะครับต่อไปนะครับ จะรวมพุ่มขนาดทุบนะครับไม้ค้ากับอะไรไม้คอนอะไย่างนะเอาไว้คุบอนุทุบอนุ瓦เป็นต้นนะครับเวลา ย, ย้อมนครับเขียงรองตัดไม้สีฟั น, นไม้คอ้คอนครับถ <c oughs> ังไม้รางย้อมถังไม้เราเจอหนังจีใช่ไหม น, น, รนครับรางย้อมแล้กระโทน สมุกไม้จริงหรือสมุกงานรู้จักสมุกไหมครับไม่ <c oughs> รู้จักไม่รู้จักนี่ให้ชอนฝาไว้เมื่อกี้มโนศิลาคำนึแล้วอันนี้สมุกนะสมุกหรือสมุกไม้ไผ่ <Okay. S 1> มีท้าก็ตางไม่มีท้าก็ตางนะครับ <c oughs> ตอนนั้นมีคนแขกที่บานสมุกไม้คืออะไรไม้ค้าอะไรนะ่ะที่เขาเอาไว้ใสหมาะนะครับ แลพวกเคียวหมานะมันจะค้ายกับอะไรเข้าเสอย่างนะครับไม่ใช่โคอหรอกเข้าใช้ไม้าทํานะครับแล้วมางทีเขาจะมีขาด้วยนะแล้ววางพวกหมาปูใส่ลงไปนะอะไรนี้ครับอ๋อผมเองก็ไม่รู้มาก่อนแต่ต้นหนึ่งมันไม่ใช่มันค้ายมันเป็นตําหมันไม่ใช่ตําหมานะเข้ามาใส่ของพวกสมุกนไพร เ อ, เ, เ, เออใช่ใช่ใชแทนตะกา้าอันนั้นนะเนี่ยแทนตะกา้าแต่ว่าไม่ได้อันหใหญ่มากใช่ไหเอาไว้ใส่ของจุกจิกอะไรเล็กน้อยอย่างเงี้ยนะต <c oughs> ะกร้าเล็กๆแต่ใช่ไม้ทำหรือว่าไม้ไผ่นะครับอันนี้นะเยเ้ยออครับมันฝาปิดด้วยใช่ไครับ นี่นะอาทิมันจะมีขาด้วยใช่ไหมบางอย่างนครับเขามีขาครับ <c oughs> ต่อไปนะครับสมุนไม้จริงสมุนไ้ไผ่นะครับอย่างถึง น, นั้นแน่เ <c oughs> ออมีเ ท, ท้าก็ตาไม่มีเท้าก็ตางหีบนะครับหีบนี้ก็ไม่ได้นะครับหีบไม้ใช่ไหมหนับกันนะครับควรมีขนาดไม่เกินจุน้ําบาหนึ่งเนี่ยนั่นเป็นไม้ไผ่เนี่มาทํา จูน้ำไม่เกินไม่เกินหนึ่งบาทนะได้รางน้ําไยน้ํากระบวย y ทพีขันน้ําเนี่ยสังหนังน้ําะครนี่ข้ารพันมาเลยนะของชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่ถวายสงแล้วเป็นค้าพันนะครับเมื่อถวายสงส่วนภาชนะนะครับสบานดีนะเขาแบบสังขาฐารกรรมนะครับเห็นอะไรเสียานะแปลว่าขาฐารกรรมแปรหลายแบบนะเขาก็เลยแปลว่าภาชนะ กลางๆกันนะมันเป็นฐานเป็นหม้อเป็นหลายๆแบบนะครับส่วนภาชนะหรือว่าฐานก็กันที่ทําด้วยสัง แ, แจกกันได้นะครับแต่ถ้าเป็นสังตั้งนะสังหนึ่งน้ําไม่ได้นะแต่ที่เป็นฐานนะครับอันนี้ทําด้วยสัง แ, แจกกันได้หม้อน้ําหรือถึงคอนโทรนี้นะคนโทน้ํำครับที่ทําด้วยไม้ก็เหมือนกันแจกกันได้เคยเห็น ค, คนโทนะครับรู้จักไหม ให่สมัยนี้มนุูยจังแล้วเราเจอแต่คอนโทรที่จะทำด้วยดินปั้นใช่มนะครับเขาจะไว้ใส่นะไม่ค้ากับน้ำเต้าแต่ว่าหัวมันจะยาวๆหน่อยครับมันจะมีฟาปิดด้วยนะครับที่ะดับคอร์ดเมอกนะจะเขียนภาพให้ดูได้โอ่ใช่ตามบ้านนอกก็ยังมีนะครับอันนคือสมัจังนะ นึ่งเผาไหมพี่วน่อยทน่งเผาแบบดินใช่ไหมอะนเผามันเหมือนกัหม้อดินเน่แต่ว่าเป็นอเป็นแบบแจกแต่ว่าเป็นใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ค้ายแจกกันแต่ว่าคอยยางๆนะครับมันไม่ได้ปากกว้างเหมือนกับอะไรแจกร์นนะปากมันจะไม่กว้างมากะครับเพราะมันใส่น้าแล้วมันมีฝาปิดนะครับใช่ใช่ครับ นั่นอย่างาง <ไป S 1> ั้นแหละการคอนโทรจำไว้เลยนะนะครับเนี่ยทำด้วยไม้ก็เหมือนกันส่วนใหญ่จะทําด้วยนนี้นะครับพวกดินเผาเนี่ยเสียนเช็ดเท้านะครับจะทําด้วยไม้หรือทําด้วยผ้าแล้ใบตาลเป็นต้นก็าตามเป็นคลุพันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่ไม่เคยมีการแจกผ้าเช็ดเท้าแะไม่แจกเลยบอกว่าทําด้วยผ้านี่ก็ไม่ได้เป็นคลุพันอย่เลยนะครับ ในของเหล่านี้คือเชิงบา่าฝาบาทนะครับพัดใบตานพัดวีชนีผ อ, อบนะครับกระเช้าไม้กวาดด้านยาวไม้กวาดด้านสั้นนะครับของอย่างใดอย่างหนึ่งจได้หมือใหญ่ก็ต า, ามทำด้วยของอย่างใดอย่างหนึ่งมีไม้ไผ่นะครับใบไม้และหนังเป็นต้นเป็นข้าวพันเหมือนกันนะครับพราะนพวกนี้ก็เลยไม่แจกไม้กวามไม่มีการแจกนะ ให้ไปยิงใช้ประจําปุติที่อยู่นะครับอันนั้นได้เนี่ยเมื่อก่อนว่าแปลกไหมบ่านนะมันบาบใหญ่กว่าตั้งเยอะนะแสกได้แต่ฟ้าบานแสกไม่ได้อันนี้หมายถึงฟ้าบานไม้นะครับพูดกับพันดาไม้นะและสิ่งที่สงข้อความในผนดาไม้มันก็จะมีไม้ไม้ไผ่หนังงานสังพวกนี้นะครับแต่ไอ้ฟ้านี่ไม่มีนะฟ้าแสกเล็กธรรมดาที่ก็ง่ายไปเลยก็จ่ายได้ นี่หมายในพวกมาที่นี้ทั้งหมดที่ว่ามานะครับมันจะมีพันเนี่ยพันใบตาทวิชีนีในอ่างคลังแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ไปไหนแล้วนะแล้วคือยังมีอยู่แะนั่ก็มันเคยแจกนะครับใครจะยืงไปใช้ก็ได้นะแต่ไม่ค่อยนิยมไปใช้กันแล้วพ่อมีพันล้อฉันเหนื่อยไว้ปัดกันยิงก็ไน่าจะใช้นะครับอันหนึ่งต่อไปนะครับ นี่ไนยะบอกว่าใช่ไหมทำด้วยไม้ไผ่หนังเป็นต้นก็เป็นครุกพันเ์กันบรรดาเครื่องเรือเครื่องเรือ น, นี้ไม่ได้นะเป็นครุกพันเลยนะครับมีเสาพ่งคือบันไดและกระดานเป็นต้นนะครับเครื่องเรืออย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทําด้วยไม้ก็ตามทำด้วยศิลาก็ตามเนี่ยโอ้อันนี้มันของหนักแล้วใช่ไหมนะครับเสือลาแพนชนิ้นใ ด, ดชนิดหนึ่งนะครับ ไม่ต้องถามว่าเป็นยังไงผมก็ไม่เค้เใจว่าตัวเป็นยังไงเสืลอมแพนนะครับเนี่ยชิ้นหนึชินนีหนึ่งนะครับรู้แต่ว่าก็จะมีการสารนะช่างสารเสือลําแพนใช่ไหมนะครับนั่นแหละเครื่องรากพื้นทุกประเภทนะครับผ้าปาบานอะไรเนี่ยเต็มเครื่องรากพื้นนะครับพวกพรมพวกเสือและไม่ต้องพูดถึงเลยนะพวกนี้ไม่ได้เป็นขลุ่พันนะครับ หนังของสัตว์ที่เป็นอากปพิยะทุกชนิดนะครับเนี่ยหนังของสัตว์อากพิยะเราจเอามาให้ดูนะแม้ทั้งหมดเป็นข้าวุปพันนะครับสมควรทําใหเป็นเครื่องล่างถะะื้นะครับหนังของสัตว์ที่เป็นอากปพิยะนะมีอะไรบ้างมีหนังล่าเฉดสีเป็นซ่อนหนังชมดหนังชมดนะครับหนังไรลทีมันเละเสีเรื่อเสียเหลือง เสือโคร่งเสือดาวมีไม่มีอันนี้ไม่เขียนเลขห้านะแต่งมอกันแม่แต่หนังวูหังควานี่ก็ไม่ได้นะเขาเรียกว่านะครับอากาพยาหนังไม่ใชว่าใช้ไม่ได้เลยนะครับมันทาเป็นเครื่องรากพื้นหน้าอยู่นะหนังควาย่รมครับข้างใต้ตรงไหน ไปาขอกลับมากลับครับห้าสิบหกนห้าสิบหกนนี่นนนี้เนี่ยเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเขาบอกหนังหนังของสัตว์นครับหนังที่เป็นอากปิยานะไม่ใช่สัตว์ที่มีเนื้ออกปิยาอย่างเดียวครับหนังคุณนี้เยอะนะครับ <c oughs> ตั้งแต่หนังของลิงของข้างนางเห็นชมดนะครับหนังของสัตว์เหล่านั้นไม่ควรนะในสัตว์เหล่านั้นที่ชื่อว่าสัตว์ร้ายได้แก่นาจาสีเสือคร่งเสือเหลืองหมีเสือดาวแต่จะไม่ควรเฉพาะสัตว์เหล่านี้พวกเดียวเท่านั้นหาไม่ได้อันหนังของสัตว์เหล่าใดที่มักภาคเจ้าตัานว่าไม่ควรเว้นสัตว์เหล่านั้นเสียนะครับ สัตว์ทั้งหลายที่เหลือชั้นที่สุดแม้โคกระมือนะครับมันจะมีเรื่องพิสู่ใจร้ายใช่ไหมมันเตอะใช่ไหมครับไปเจอเรื่องวัวเขากโอ้โหวัวกําลังดุใช่ไหมนะครับต้องการหนังูวัวตัวนั้นนะครับก็เลยจ้องเพ่งมองใหญ่เลยนะอุบาสกใจร้ายเลยถามว่าท่านประสงค์อะไรจึงจ้องมองหน้เรื่องวัวในข้อผงว่าอัตมาต้องการหนังของมันแกก็เลยจัดการให้เลยนะครับ มันเป็นวัวลูวัวอยู่นะแม่วัวก็ห่วงนะครับก็เลยฆ่าลูกวัวเลยนะครับแล้วก็ถลกหนังนะถวายผ้า น, นะครับท่านก็เอาสังขตินะครับห่อหนังวัวแล้วก็เดินกลับไปแม่วัวก็เรือยใส่ความรักลูกใช่ไหมก็เลยเดินตามหลังผ้าล น, นั้นไปนะครับตามเรื่อยๆนะเพราะยังสงสารแม่วัวมากนะใจร้ายขนาดนั้นนะครับพอไปถึงก็งถึงวันนะช่วังหลายก็เลยถ้าวเนี่ย เธอแม่วัเดินตามท่านอ่ะท่านบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แม่วัวนีเดินตามผมนะยังไม่รู้ตัวนะครับเขก็เลยเห็นอ่ะไอ้นะสังกาดสีของเขท่านน่ะเปื้อนเลือดนะก็เลยถามหออะไรมากท่านก็เลยเล่าเรื่องฟังท่านบอกว่าเป็นยังไงนะครับคเขาเลยตีเตียนท่านว่าเนี่ยท่านชักชัวท่านคนในฆ่าสัตว์รืท่านก็บอกว่าอย่างนั้นขลามเนี่ยผู้ดวงก็ท่งตีเตียนนะครับแล้วก็ห้ามพิสูจน์นะ ไม่ให้ใช้หนังนะครับหนังวัวเงี้ยไม่ได้นะครับนี่นะครับจะพูดถึงหนังที่เป็นกระปียานะตั้งแต่หนังของพวกสัตว์ร้ายเมื่อกี้นะครับแล้วแม่ไม้ของโคกระบือกระต่ายหนังแม่ <c oughs> เป็นต้นรวมทั้งหมดนะครับเพิงทราบว่าสัตว์ล้างเหมือนกันในอันนี้นะครับหมายความว่าถ้ามันไม่ใช่หนังที่เป็นกระพียานะที่เหลือก็แป็กระพิยาหมดเลยเรามาดูที่เป็นกระพียาดีกว่า มันจะได้ทีเดียวเลยใช่ไหมหนังของพวกมรึกข้าฉ่นะครับมีเนื้อทราเนื้อสมมนเนื้อฟานกวางเนื้อถึกนะครับเนื้อละมั่นนะพวกแก้งพวกกวางแล้วพวกนี้นะนะครับเหล่านี้เท่านั้นควรไม่มีเป็นต้นนะเหล่านี้นะครับส่วนหนังแห่งสัตว์เหล่าอื่นไม่ควรเฉพาะหนังเหล่านี้นะครับแต่หนังแกะนี่ก็ยังได้นะถ้าเป็นพวกเป็นหนังกระพิย้างอยู่นะครับได้ อามาปูราดเตียงราดตางเนี่ยได้นะครับแต่ถ้าเป็นหนังของสัตว์อะไรที่พวกอื่นนะไม่ได้เลยนะครับนะแต่ว่าอามาปูเป็นเครื่องราดพื้นเนี่ยได้อยู่นะครับอพราะนักนท่าบอกว่านะเป็นครุขระเหมุอนคุณนิจแจกก็ไม่ได้นะครับเป็นครุขร์หมดเลยสมควรท้ใหเป็นเครื่องรากหพือนวิญญามเสนาสนะมติภิหารนะเป็นเครื่องรากพื้ก็เดินเหยียดย่ำได้นะครับแต่จะมาปูเตียงปูตังนี้ไม่ได้เลยอันนี้เพราะ ต้งห่างนะครัีนี้ส่วนหนังแก่นะครับมีกติอย่างผ้าปูนอนแม้หนังแกะนั้นก็จัดเป็นคราวุ่นวั์เหมือนกันนะครับแซวไม่ได้แต่ว่าสามารถเอาปูนะมาปูเตียงปูเต่างได้นะครับปูพื้นก็ได้ไม่มีปัญหา <c oughs> หนังที่เป็นกระพียะนะครับอ่ะอันนี้แซวว่าหนังแก่ไม่เป็นกระพียะเนละไม่ใช่กระพียะหรือยังน่ะเป็นกระพียะ เพราะว่าทำไมพูดถึงหนังนี่เหมือนกับปิยามาักซ้ำอย่านี้นะครับ <c oughs> ปูเตียงปูต่างได้นะเอาว่าเอาว่าหนังแกะก็แล้วกันนะปูเตียงปูต่างได้นะในดิกาทิบายนะครับเอาว่าหนังที่เป็นกับปิย์ออยักษ์เนือกที่ว่ามาน่ะพวกหนังแก่งหนังปังนั่นนะครับ <c oughs> หนังที่เป็นกับปิย์นะครับเป็นของควรแจกกันได้นครับแจกได้นะแต่ในกรุนทีแก้ว่าหนังพุทชนิดมีขนาดเท่าเตียงนะครับ เป็นคลุภันเนี่ยบางทีอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าใหญ่ขนาดเท่าเตียวไม่ได้นะเป็นขลุภันแจกไม่ได้แล้วนะครับอันนี้หนังก็แค่นี้นะครั บ, รบถ้าหรือว่าเยาะรองเท้าอเท้าหนัอเท้าหนังได้ครั บ, ะรบจะเป็นเนื้อ ไ, ได้ไหมครับข้าวคุณดีกว่านะหนังสัตว์ลายที่เป็นสัตว์ลาดูไป หนังสังรองเท้าที่ทําด้วยหนังครับใช้ได้อยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆใช้ได้ในจํามาสันตะการใช่ไหมหนังก็ทําด้วยรองเท้าเนะครับให้หมอมากนะครับหนังที่ทําด้วยรองเท้าทําด้วยหนังนะ รองท้าทำด้วยของสัตว์อะไรก็ได้ครับหน่เลยนะบอกว่ารองเท้าที่คุณรองเท้าที่มันสมควรนะครับเพื่อติดต้นนะรองเท้าชั้นเดียวเดี๋ยวก็หาไอทมนะกันนะก็ไว้ในการบอกผมตัดตัวนะ แต่ว่าทางสายที่บอกมันไม่ได้หมักซองไว้ไม่ได้มันมันมีสั่งอย่นี้ข้อ่างนี้เขาบอกว่าเขอเปิดกันนั่นยังไงทางสายก็ไม่ได้พูดถึงอยู่อ่าพุทธเจ้านะครับพระบุทเรือบัญญัติห้ามสวมรองเท้าสีต่างๆนะครับรองเท้าที่คิบด้วยหนังนะหน้าสิบห้านะครับ อเนี่ยนเปิดให้ดูตัวนี้หล่ใช่ไหมนะครับอะไรนะโอเลยเวลา เ, ล, าเ ล, าล้วโอ้ยเลยลนเลยละไม่ได้หรอกหรือว่าจะต้องทำโอ้ไ่รอแนละ้วป้าน้อยรอแนละ้วโอ้ยเนี่ยไม่มีใครเตือนแล้ว น, นี่ั พลังมันนั่นเองขอนนะุ่นพันเนี่ยใช่มเป็นไรมันนี่ก็แค่นี้ก่อ น, น